สทุติยะอนันทสูตรว่าด้วยพระอนนทสูตรที่สอง 990. ครั้งนั้นท่านพระอนนทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัทที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านอานนทดังนี้ว่าอานนททำอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว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 มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักอานนนทาอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทาสี่ประการบริบูรณ์ทำสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจ็ดประการบริบูรณ์ทำเจดประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทาสองประการบริบูรณ์มีอยู่ ทำอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทําให้ทํสี่ประการบริบูรณ์ทํส4ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทําให้ทํา7ประการบริบูรณ์ทํา7ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทําให้ทํสองประการบริบูรณ์เป็นอย่างไรคือทําอันเป็นเอก คืออนาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพ ช, MM ชชง7ประการบริบูรณ์โพชชงเจประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาและวิมุตต์บริบูรณ์ อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีอานน์โพชฌงเจ็ประการที่พิกษุเจริญอย่างนี้แลทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทําให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์ ทุติยานันทสูตรที่สีจบ